ของจริงต้องพบเห็นอันหนึ่งมันพบเห็นวิธีปฏิบัติการกระทำกรรมฐานมันเป็นการพบเห็นแต่การได้ยินได้ฟังเป็นการจำเอาลู้จำไม่ใช่ลู้แจ้งพวกเราเป็นปัญญาชน ศึกษามามากแล้วจบมาหลายศาสตร์เนี่ยที่การงา น, นเคยมีเคยไปสอนท่านผู้รู้เขาบอกว่าไม่ต้องสอนพวกเรานืาเราลู่มากแล้วไปอยู่วัตทนานมาหลา่ยวัตทนท่านไม่ต้อ ง, งสอนพวกเรา เราลู่วังมากแล้วจะให้เราทำอะไรพอเราทำดูเขาพูดจากนี้ถ้าลู่อะไรมาก็อบอกว่าเราลู้ตัวเองถ้าลู่ตัวเองถ้าลู่อย่างไรระพาเขาทำเลยคือมือวางไว้บนเขา เรงมาขึ้นรูจุดตัวยกขึ้นรูจุดตัววางมานี่รู้จุดตัวเพื่อนไหวทีใดรูจุดตัวรูจุดตัวนี้รูอย่างนี้เราลูจุดตัวอย่างนี้รูจุดตัวอย่างนี้รูอย่างนี้รูอย่างนี้รูอย่างนี้นี่รูอย่างนี้ นี่คนเอเชียประสาทสัตว์าทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียเพราะรู้เรื่องนี้ลูกคนอยู่ยุโรปอเมริกาคนรู้นอกตัวไปรู้ท่องควาดรู้ดาวเทียมทุกคนขึ้นถึงดวงพระจันทร์แล้วยังไม่รู้เรื่องนี้ อันนั้นลูกอันหนึ่งไอ้เจมี่เป็นลูกตัวเองเจรู้อย่างนี้พาเขาทำเลยเวยลาเราปฏิบัติลองดูจะได้เห็นไม่ใช่เรียนรู้จะรู้ได้จากได้ยินได้ฟังมาแต่การปฏิบัติการพบเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแท้ ศาสนาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้จะิติปัญญาต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ปัญญาคือความรอบรู้ในของสังขารคือมันมีกายสังขารจิตสังขารนี้จะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอย่างเดินรูน่ไม่ได้สมผัสจนเราลู่โกรธไม่ดีแล้วก็ยังโกรธอยู่ ทุกมันไม่ดีเราก็ยังมีทุกอยู่ดีใจเฉียใจมันก็ไม่ถูกต้องเราก็ยังดีใจเฉียใจเอาผิดเอาถูกให้เป็นเรื่องใหญ่จะแต่หลงก็เป็นเรื่องใหญ่เปงข่ยนความคิดก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราเลยรู้แต่ว่าถ้าเห็นเราเป็นเรื่องเล็กน้อย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจถ้ามีสติเป็นเจนที่วัดตั้งเอาไว้โดยวิชากรรมฐานเราที่มันเกิดขึ้นมามันจะตังค์กับสติอยู่มันจะไม่ไมค่อยจะมีค่าเพราะสติมันเป็นหย่อยบนรู้สึกตัวหลังจบแค่นั่นแล้ว เรื่องของกายของใจจบวิถีความรู้จึกตัวประใช่จบอยู่ที่คิดโน่นคิดนี้ได้เหตุได้ผลได้หลอกได้ถอนเอาวัตถุมากำหนดอันนั้นอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์อันนั้นไปใช่นอกกายรอกใจไม่ใช่พ้นทุกชาอะไละต่างๆสาตต่างๆ แล้วพระเจ้าก็จบมาสาิบเจ็ดศาสตร์ที่เมื่อยิ่งเทนูฝันดาบนอกจากแล้วก็ศาสตร์ทั่วทั่วไปจึงจะได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิน้อยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าศาสตร์พุทธศาสตร์ฉนานนี้ศาสตร์ที่เป็นการตัดสู้ลู้แจ้งมรรคผลนิพพานนี้ มันเป็นศาสตร์ที่เกิดในกายในใจนี่วมมลบรู่ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาปัญญาพุทธะไม่มีใครบอกใครประสบปุ๊เห็นที่ว่าธรรมะธรรมพายเป็นพระพุทธเจ้ามากมายธรรมที่เกิดกับกายกับใจ ภัยกุษล ก, ก็กมี ภ, ภัยอกุศลก็มีบทที่สก็สัพเพตัมนาลังอภิณเวสยะทำทั้งหลายไม่กควรยึดมัน่นถือมัน่นรูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่มันเป็นขันธ์หน้านี้แล้วมีอุปทานในขนันธ์้แต่ภาษาเของาตร์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 เยวลาความเป็นทุกข์ทั้งไม่ใช่ตัวตนถ้ามีสติจะได้เห็นอย่างนี้ว่าโดยย่ อ, อโอปปทานและขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พระเจ้าทร ง, งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากพระหุนีนุศาสนี คือส่วนมากวิธีเจเจลู้เหล่านี้ก็ต้องคือกรรมฐานมีจิตใปนเนกายเป็นประจมอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จดแต่ว่ากายว่่เช่จดบุคคลตนเราเขาบอกว่าอย่างนี้จติจะว่าอย่างนี้ ถ้ามีสติเป็นสติเป็นคำพูดถ้าออกมาเป็นคำพูดก็พูดอย่างนี้แต่มันไม่ใช่คำพูดเป็นภาษาทมในหัวใจทุกคนที่ปฏิบัติเห็นกายอยู่ในกายเป็นประจำทำมาเกิดขึ้นมาอะไรที่กายมีสติเรื่องเขากิเลสมีความเพียร ถอนของพอใจและความไม่พอใจในโลก อ, อกเสียได้สติเป็นคำพูดของสติกลับมารู้จึกตัวนี่แหละภาษาปฏิบัติแล้วกลับมารู้จึกตัวก็ไม่มีอะไรไม่มีร่องรอยแล้วกลับมาเรื่อยๆก็เหมือนกับสอนกายสอนใจ มีทิฏิดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดหัวเน่ยิีงก็สวจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกเขาเนี่ยพิชากงมัถถ์สอนอย่างนี้พระอนุนเป็นพระมุสุจำได้เยอะเรื่องนี้พระเจ้าสอนที่ใดที่ใดพระสูตรตัณฑ์ปิฎกพระอภิธรรมปดฎกพระวินัยปิฎกจำได้หมด แต่ไม่บรรลุธรรมจนพระพุทธเจ้าปริลิพานไปแล้วยังโลองไห้อยู่เช็ดต่ ว, วันตอนเย็นหลงหลอยอ้าพุเจ้านี่วนมาสมน้ำตักน้ำขึ้นมาจากบ่อ ในคันทกักกุฏิของพุทธเจ้าไม่หัวน้าที่น้ำน้มดีมากเคตตะวันเนี่ยแล้วก็น้าวัดภูเขาทองอละ่ะดีมากแล้วตรวจตอในใสุพเครื่องตรวจเขาว่าไม่ต้องตรองดื่มเลย น้ำเชื่อมตวันก็ดีในประเทศตินเดียห น, นุงก็ตักน้ำขึ้นมาเคยตักน้ำให้พระเจ้าสง่งถึงเวลาก็ตักน้ำใส่กระถางก็ถังไว้เจ้าก็เดินลงจากบนไดมาส่งน้ำพระเจ้าประนิพันธ์ไปแล้วพระนดมก็ย่ำทำเช่นนั้นน้องให้เสียใจอยู่ แถวบ้านเขาทำไรทำนาแถวนั้นได้ยินได้เห็นสงสารพระอนนว์นวกกวนี้เก็ขวะเจ็ดเดือนจะได้ทำสังขายาพระเจ้าปรินิพานไปแล้วการทำสังขายนานี่เพียงพระเจ้าปรินิพานไปได้7วันเท่านั้นมี สุพุะปริภาชคช่วงจาบธรรมวินัยขึ้นมาพระมหาเกษตาได้ยินเช่นดั้น่วงจาบหลังลายเล่าช่างหน่อยเนาะดีไหมเ <laughs> จ้าปริพาณในหนึ่งเจ็ดวัน พระมหากระจปะอยู่ไกลอยู่ในป่านโะดงพมหากระจปะไม่อยู่ในบ้านเน่ยเหมืองกับเขาวัดป่าทุกปันนี้เกิดจากพระมหากระจปะเดินทางกูจะมาถึงกูชีนาลายก่อนนานหลายวันป่าหมู่สงลูกชิดเดินทางเข้ากูชินาลา กวจะมาถึงก็ได้เจ็ดวันเเดินใกล้เข้ามาก็คนเดินผ่านมาพิเจ้าปริพัพน์นแล้วเ่าโยมพ้เดินผ่านมาก็โอ้พุทธิพัน์ได้เจ็ดบันแล้วก็หลังจากปา่เพืองอยู่ได้แล้วเนี่ยปอยิงเช่นนั้นหมู่สง ที่เดินทางร่วม ก, กันกับพระมกตระเป็นลูกสิษ์พระมหากาัจฉปะก็รองให้เสียใจจิตใจยังอ่อนรึ้ถึงพยเจ้าปริพานไปแล้วมีพระสุวัฒนปริพาชโชครูกหนังกล่าวขึ้นา่าท่านจะล้องให้เสียใจทำไม้ ดีแล้วพระาตสดาตายายปณิธานายจะไม่มีใครดูใครดา่าไม่ใครชี้โทษสมัยพองอยู่ก็ชี้นั่นก็ไมาดีนี่ก็หมาดีเวื่อเลือเกินดีแล้วจะรลองให้ทำไมพระมหาจับรพรรดิยินเช่นนั่นก็เสียใจเศรา้าโศกืึดนัดต่ำลงลูกขอขอ๋อ หอต ว, ว่าพระเจ้าปฏิภาณเพียงเจ็วันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนาะต้องประชุมสงฆ์ธรรมถังกันนวางระเบียบเอาไว้บาคัสวะก็เดินทางกว่าถึงก็ล้างเะเขาครับสวัวรชิลิละพุทธเ จ, จ, จ้าวกว่าไวก็ยังไม่ลก เปนพระมหากัสารสภาวะไปถึงที่ไปเอาเท้ า, าปราบบาตของพระเจ้าใส่หัวตัวเองครับเป็นชาว บ, บ้านชาวมังกุจินาลาจึงถาวายพระเพิงไว้จึงลุกขึ้นมาปรากฏว่าจัางนั้นต่อพระชูดเนะาะพอถวายพระเพิงจบ ก, ก็ชุ่มสงค์ น, นกักจนถบสะกายนา เดือนสามเดือนเรืออะไรจำไม่ค่อยได้ดทำสังเนานี้ต้องเอาทัารารท พ, ขขาพระหลานทั้งสิ้นรีบเอาคพระรหลานทั้งหมดมาเข้าป่าเป็นมระธานสงฆ์แต่ว่าขาดพระอนอนไม่เป็นพระหรหลานแต่ว่าขาดไม่ได้พระอนอนเป็นพระหุ่ยจอมใหญ่มากเพื่อจะได้มา สาทยายรู้อะไรมาพระเจ้าสอนเรื่องมายอย่างไรพระนนท์ไม่เป็นพระหรันงูสงต้องกววงเลยขี้ตรงพระนนท์ต้องรีบปฏิบัติเขาหลอพระนนท์พระนนท์เสร็จเป็นพร ะ, นนระหรันเมื่อหลายจะได้ทำสังขนาพนนท์ก็เล่งทาความเปลี่ยน ตอนทั้งที่เป็นเขะผู้ช่วยมากขนาดนั้นตามความเพียนมันก็บพวกเราทำอยู่นี่แหละรูมาแท็กนุกคนละละเราก็ะรูมาแล้วจึงมาประกอบความเพียนกู้ฉันเข้าเหยื่อฉันออกอยู่เนี่ยรูจุกตัวอยู่เนี่ยในวันนั้นคืนนั้น อานอนก็ทงความเพียรตั ian, ้งแต่ย่ำค่ำจนถึงแสงเงินแสงทองก็ขึ้นเม่ได้หลับได้นอนเจ้าให้ได้เจาให้ได้วันสองวันสามวันที่ผ่านมาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเป็นไงท่านอาน o n อ่าที่จ๋ ก็เฉยแหม่ผลิภัณฑ์แล้วเลยอย่างพอๆพอที่เจอได้ที่ไดตทานละขออีกหนึ่งวันขออีกสองวันเหมือนคนทำนาทำไรทำสวนกขาโนดได้เฉยที่ น, นั่นเฉยที่นี่ไปอาจจะเป็นอย่างนั้นรูปรูปรูปนามรูปขันหน้าตาคมความเป็นจริงรูปไม่เที่ยงไอ้ธนาก็ไม่เที่ยงรูปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหนือป่ากับใจ าอยู่ที่จิตใจไม่สติดูจิตไม่สติดูจิตจิตันจิดไปเล่งเข้ากันไปไม่รู้จักหลับจากนอนถ้ินท่าจะไม่รอนอนก็เออวางใจวางใจวางใจแล้วก่อนเล่งเกินไปสามใจสบายวางใจวางใจเออ จะเอ็นหลังสักหน่อยเพื่อจะต่อสู้วันชั่วโ ม, มงข้างหน้าเงียบชั่งหน่อยจะเอ็นหลังง้อยไม่ถูกหมอนปรากฏได้รู้ทำตอนนั้นเลยคือวางใจแต่ก่อนนอนเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ขอหลงเถงเอาลู่สู้กับคนหลงคนลู่สู้กับคนหลงควนลูส่ลสู้กับทุกอย่าง นี่การตอ ช, ช่วยกนะันวางใช่ไหมคช่วยจวางเอ็นหลังห ร, นะรื่บรรลุธําตอนนั้นไปปล่อยวางปล่อยวางเก็วางอาจจยิ้มเวลามันหลงก็ยิ้มนั่นนะเวลามันกก็ยิ้มมีลตู้รูู้ไปโอแคนี้เองได้บรรลุทําเป็นพลาน ถึงได้ทำสังเขปหนาร้อยกองทำมาวิ่งไหนขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำให้มันเป็นมาช่วยรู้ทาให้เป็นการทําให้เป็นไม่มีเคยสอนเราเราต้องสอนตัวเราเองการรู้มีคนสอนน้อยมีครูอาจารย์เรียนจบมา เราสอนให้ลูกเราสอนให้เป็นเราต้องทําเองเวลามาหลงลูกเะี่ยก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นวางใจวางใจปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางวิจิตรวางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนที่จะเอาไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่อเอากายเอาใจมารับใช้ความสุขความทุกข์ มาเดี๋อาใจเอาใจมาแล้วใช้ความดีใจเฉยใจอะไรต่างๆว่างเลยว่างเปล่าเติมไปด้วยสติว่างไปด้วยความเป็นความเป็นว่างกับเต็มมันเดียวกันเติมไปด้วยความรู้สึกตัวมันก็เลยว่างจากความมีตัวมีตนที่จะมาอาใจก็เลยเป็นใหญ่ มีสติแล้วเราอยู่มีสติแล้วเราอยู่เพราวชินะศกเป็นผู้มีสติเป็นหน้าโลกมีสติเป็นวิญัยาชินะศกคือพระอรหันต์มีสติเป็นต้าโลกใชอย่างนี้เวลาเราพึ่งหันปฏิบัติทำให้อมยิ้ม สบายสบายอย า, อยากอยากรู้อยากเห็นอยากใหเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ยิ่งคนอื่นพูดออกมาเป็นเกณฑ์ที่วัดไม่ได้เราต้องดูตัวเองวางล้วว่ารู้นี่มันวางแล้วรู้จุกตัวนี่มันวางแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้จุกตัวนี่รู้จุกตัวไม่ค่ะ สิที่เกิดมาฉ o r มารู้สึกตัวไม่ที่ไม่ต้อนรับรู้สึกตัวไม่ที่มีที่อาศัยรู้สึกตัวก็บอกถึงที่มาอาศัยคืนไปหมืนเหมือนกับว่าบอกคืนไปไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าผมรู้สึกตัวมันยิ่งหย่อกับสิ่งที่ฉ o r มา จิตของเรานี่บริสุทธิ์ของสอยู่เสมอแต่อบายกิเลสมันจรมาทําให้โศรหมองอนความเศร้าหมองไม่ใช่จิตส่วนความโกรธความโลภความหลงกิเลสทั้งหลักค้าไม่ใช่จิตมันจรมาเพราเราต้อนรบให้ค่ามันรวมทุกข์ก็ให้ค่าเวลาทุกข์เราก็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 ถ้าเป็นวางไม่ได้ถ้าเห็นแล้ไม่เป็นไรช่างหัวมันง่ายไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆถ้าเป็นแล้วมันไม่เป็นไรพูดไม่ออกมันก็มีไม่ได้ไปได้ถ้าได้โกรธแล้วก็ไม่ด่ามนก็ไม่ยอมถ้าเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นไปไกย เกิดบาปเกิดอกุศลขึ้นเนกิดนรกเกิดอาุมรกากเกิดดิเรกานขึ้นมางูไปเลยเมื่อไปเลยจำกันไม่ได้ไปรักกันก็จำกันไม่ได้วังโกธมันปิดบังเกิดโทสะไล่ากาดจับสต้าวุธพูดออกไปทางวาจาเขีนฆ่ากันไป ลบลาค่าวางกันไปไวไกยจนโดยถึงจ่ดที่สุดของที่ก็เสียใจผิดพลาดไปแล้วด่ากันแล้วหัวเมียจะด่ากันแล้วเวลาหายโกรธ้อยกันเสียใจยก็มีตีลูกตีไปแล้วเอาเควมโกรธไ้ตีลูก ก็หกก้อยโกรธก็สงสารลูกเยอจ่ายเดะทำบาปทำกรรมไปแล้วเอาคืนไม่ได้เดอะัราใช้ความทุกข์ความโรากรธอย่างนั้นมาบตรนี้มามีสติกันเถอะลูกจรกตัวไม่ยากไม่ได้ขอใครไม่ต้องถามงใครหาตะวายเพจะได้ไปใช้ อยู่ในโลกเป็นเครื่องมือโดยเกิดขึ้นมาในโลกนี้สอคนที่สุดคือรู้จักตัวนี่จะเป็นคนชาติใดภาษาใดรู้จักตัวเนี่ยอันเดียวกันแทๆ้ๆรู้จักตัวก็จะแดงว่าดูแลตัวเองได้แล้วคุ้มของตัวเองถ้าคุ้มของตัวเองได้คุ้มของคนอื่น ได้คุ้มครองคนอื่นคุ้มครองงานการได้คุ้มครองรวก็คงอะไรก็คุ้มครองได้ถ้ามีสิชติถ้ามีวิชาติก็ร่มเหลวพุ่มไล่คุ้มดีใจก็พึ่งใจไม่ได้จึงมหัศการเออเหมือนหลักเมืนหนลัก เป็นผู้หลักคู่ใหญ่ฝังหลักล้วงายถ้าเกับผู้หลักคือเป็นหลักอะไรจะเป็นดีเราไม่ใช่อยู่อย่างนี้อาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพวกคนแม่คนไปเรื่อยๆเหล่าผู้หลอกคู่ใหญ่แต่ว่าหลักต้องฝังให้แน่นหนาะไม่หวัน่นไหว วันหลักคือไม่หวั่นไหวให้เป็นไรเราบลักมีสตินี้ก็หลักผูเขาเจริงทึบไม่จะเทือนพโลมฉันได้ผู้ฝึกตนมีสติไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญฉันนั่นผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เป็นลูกตุ่มจะได้เป็นที่อาศัยของสิง่งต่างๆ เราอยู่ในโลกโลกมีหลอนมีปุดุพันธาสามีมีผีวมีคนจิงอะไรต่างๆถ้าไม่มีหลักกับปิวเวงง่ายอาภาพัพไม่มีหลักไม่มีที่หลอมสอนอหิวไปไหนก็ไปจิตใจกว่าให้สุกก็จุกก็ว่าให้ทุกข์ก็ทุกข์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 นอกตัวในตั ว, ย, วย่อไหลแต่รูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนตนามก็ไม่ใช่ตัวตนอาศัยตรงไหนอาศัยให้ทำความดีอาศัยรูปอาศัยนามนี่เพื่อให้ปลูกสติเพื่อปลูกสติเป็นที่ตั้งของสติก่อนพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกคือนั่นอ่านมาสิ อาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งความรู้จักตัวเท่านั้นมาแช่อมาเป็นสุกเป็นทุกข์ถ้าไม่อาศัยเป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวก็ตายทิ่งไปเปล่าๆตายก็ไม่ตา ย, ตา ย, ตายเฉยๆเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พะพ่าเกี่ยวของโลกของชีวิตเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ถ้าไม่ศึกษาถ้าศึกษาผมก็ไม่ทุกขก์อะไรเฉยไย้บางทีเฉยได้คนที่โกรธไม่โกรธก็ด้อยเยได้คนที่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ด้อยลองให้เฉยจะทําไหมเปิตนสอนตนเราเอาเลยรมาต่อรองกับชีวิตเราห้อยฉันกับที่ไหน เราอยู่นี่นั่งอยู่นี่ขอเราจะขายวินาทีนี้เริ่มต้นวินาทีนี้รู้จึกตัวรู้จึกตัวเนี่ยให้โอกาสตัวย่่งย่างนี้รู้จึกตัวจะได้เห็นจะได้ตั้งหลักได้เคยชินมนความเคยชินจะได้ง่ายฝึกไว้จะได้ง่าย เอาไปมาก็ไม่ต้องฝึกมันเป็นแล้วทำเป็นแล้วอะไรที่เป็นเนินต้องฝึกก่อนตอนไม่ฝึกมันไม่เป็นตอนไม่เป็นเวลาฝึกก็ให้มีสติเป็นที่ตั้งไ้ที่กายนี้ตามผู้เจ้าสอนเอาใส่ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนี่ สติตั้งวิธีการจะได้เห็นสี่งทีท่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเสร็จแล้วจะได้กลับมาหาจอางนี้จะได้กลับมาตั้งไหวไปนั่นก็กลับมากลับมาตั้งไห้ปฏิคือปะคือกลับมาปฏิบัติคือกลับมากลับมาอย่าไปอย่าไป ถาหัดกลัมากลัมาแบ่วยๆก็ชำนาญต่อไปมาได้หัดดอกมันจะเป็นไปเองไม่ต้องมีหัดแต่ไม่ต้องมาใช้มือเคลื่อนไหวมันมีในตัวมันแล้วกายก็ดูกายเองจิตก็ดูจิตเองมีจิต ด, ดูจิตมีสติ ด, ดูจิตเองตัวมันเองดูมันเอง ไม่ใช่ขออ้อนวอนขอให้นอนอันนี่มาช่วยมาใช่อย่างนั้นตอนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนพ อ, อตอนเหี่ยวตอนโนลงถั่อตอนนั้นแหละเป็นแต่พึ่งของตนพึ่งได้จริงจริงพึ่งความดีที่มีอยู่ในกายในใจเรานี่เราหงัดเอาไวา้ ถ้าเป็นบุญก็มีบุญใจดีมันใจดีพึ่งใจดีได้ก็มีบาปพึ่งไม่ได้ได้แต่เขาจะให้ทำอะไรใจบันทีก็โกรธคนใจไม่ดีไม่ใช่ดีใจใจดีมันไม่โกรธนะดีใจไม่ยังโกรธนะบทีได้ดา่าเขาก็ดีใจ หุ่นามันกูก็ดีใจดอกกหุ่นคามันกูก็ดีใจถึงว่าอย่างนั้นก็มีนั้นดีใจกับใจดีมันต่างกันดีใจไม่อาอื่นมาต่อรองใจดีมันอยู่ในตัวมันใจเย็นเฉปรีเกอเย็นจ้อไม่มีอะไรที่มีรุดมีชาตฟูฟูแฝดแฝไม่ฟูไม่แฝดอีกแล้วเย็นแล้ว เหมือนฐานไฟเย็นแล้วออบไปวางขาก็ไม่มีโลอนอยู่ที่ไหนไม่โลนใจของคนมันเย็นมันก็เลยเย็นไปหลายอย่างไม่เหมือนฐานไฟเหมือนพูท้ทเจ้าเดินบินต้ บ, บาดคนมองก็เห็นรู้ว่าใจเย็นแล้วก็มองเห็นก็มีความสุข พร้อมตนหนึ่งนั่งกวดหน้าบ้านอยู่พระเจ้าไปวินทาบอดเหนพระเจ้าวุ่มบาอเดินไปพร้อมตนนั่งก็ตะโกนขึ้นในใจปะทุปะทุจะว่าระไรใครมีลูกชายอย่างนี้พาอแม่ต้นนี้ผ่าน โระตูใครมีสามีอย่างนี้ปัญญาได้ไดิพานเห็นใบหน้าเห็นทนาทางเห็นสินยาไม่ยากอุ่นใจเย็นใจทุกวันนี้เรามองหน้ากันก็ร้อนแล้วเห็นสามีเดินขึ้นบ้านเห็นหน้าสามีเย็นใจเห็นปัญญานั่งอยู่บ้านไปทํา ง, งานมา เหนื่อยมอเมื่อยล้าเงือไหลขย้อยเห็นพญาอ ย, ยู่บ้านใจเย็นลงทันทีนี่ไหมวงนี้พรานเนี่ยฮ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าาบ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮูดฮ่าฮ่กันทฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮเาราะ สามีพัญญาได้ไม่ผ่านพ่อเพื่อนได้ทำให้กันเย็นใจถ้ามันเย็นในใจนกับเย็นทังนอกได้ถใจมันร้อนก็ร้อนทังนอกหรือก็ถึงกับเป็นโลกกับเพราะอาหารเป็นโลกประสาทได้เราจึงต้องฝึกกันเถอะโอกาส ยังมีหายหลหายใจก็ยังฝึกได้เยอะหายใจเข้าดูสตัวก็ได้อาจจะไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวสากลที่ฉุดกล้มหายใจได้ไดทุกโอกาสกำหนดรู้โดยการลูกก็ใช้ได้ไม่ต้องมีลมหายใจเคยไม่มีลมหายใจหายใจไปได้ เคยมาแล้วตายไปแล้วอ๋อไม่ต้องอาศล้มหายใจละเราจะอยู่เฉยๆนี่กำหนดรูปเดยวกันลูเ้เฉยๆนี่แล้วก็ตาข้างหลับตาไม่ลงสมหมายใจไม่มีหายใจไม่เข้าน้ำไหลปุ้มปากตาข้างหลับไม่ลงอ๋อไม่ต้องอาใัยมันหลับล้มหายใจจะอยู่นิ่งๆนี่แหละ ก็อยู่นิ่งอยู่นิ่งนไม่เห็นทุกข์่นุนไหนอยลายใช้หลายมากมายชีวิตเราเนี่ยแม้ลม ห, หายใจก็ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆนะมีสติเนี่ยมันเประเสรีที่สุดนอะจะมีจิชาติจะบอกเรื่องนี้จะสอนเรื่องนี้จะเป็นนักบวชแบบนี้ จะอยู่วัดวารามอย่างนี้จะบอกคนอย่างนี้เพราะมันไปเสิดจริงๆสติเนี่ยโชคดีขอบคุณท่านที่มาที่นี่ให้โอกาสไยพูดไปไม่ไหวแล้วแสดงทำได้แท่พาะที่นี่นั่งที่นี่ทนละไปพูดตื่นเขาไม่ฟังหลอกเสียงอย่างนี้ไปไม่ไปที่ไหนไม่รับนิมนต์ที่ใดนั่ง กูได้เฉพาะตอนเช้าที่นี่เท่านั้นีนคนน่เหมือนไปโน้นไปนี่ก็ไม่ไปอากาศมันใกล้หมดสภาพลงทุกทีอแล้วหาสียเพื่อนอยู่เวลานี้พรันเราอาจจะเป็นหนั่นเราเรีนกอดได้บันหนึ่งอาจจะใา้ใจไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะทุกเหรอ ไม่ทุกเลยบอกว่าเจ็บเป็นทุกเจ็บเป็นทุกเด้อตายเป็ทุกเดือมให้ทุกตรงไห น, นไม่มีอะไรคําว่าทุกไม่ไม่มีปวดก็ไม่มีหลงก็ไม่มีไปให้ข้ามันทําไมมีแต่รูปอย่างนา้ำธรรมชาติอาการธรรมดามันเป็นขันห้า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 เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไ ม, ม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมหน่ายหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตหลงนั่นแหละเป็นทางแห่ง น, นิพพานนิพพานอยู่ที่นี่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความาทุกข์เหลือจริงแล้วเหลือใช่แล้วยึดเหล่าก็เห็นนะมีจตีนะเห็นความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตุน้นออกมาทุกทุกทำไม เอาเฉมันอะลายหายใจไม่ได้ไปเสือตุงไหนเหมือนท่อนว้ทอนปืนหาประโยชน์ไม่ได้จะได้ประโยชน์ตัวเนี้ยยกมือเคลนเคลื่อ น, น, นไหวไปมาอยู่เนี่ยให้รู้จักตัวอยู่เนี้ยใช่ไหมจ๊ะก็ไม่ใช่ตอนนี้จะเสียเวลานะแต่ใช่มบรรลัยให้มันล็อกมันเฉียดชังที่ได้ยังเร่งรีบด่วนนะ เดินวนจังหนอว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะสมควรเฉยเวลา